สานีวิดิวครอบกรัวข่าวสตรอย้ยเฟมร้อยหกกัปชาพระมหาภัยบูญอภพิปุโนโจากวัดป่าดอนนายโศกตั้ ว, วันจันทร์ถึงวันศุกร์มาพบกับทัมบุฟังอยู่เป็นประจำคำสอนที่เรานำมาให้ทัมบุฟังฟังนั้นเป็นไปเพื่อความพ้นออกจากทุกเราจะปฏิบัติตามคำสอนต่างๆเหล่านี้ได้จิตใจของเราจะต้องมีที่แล่นไปธรรมบฟังคือการปฏิบัติเนี่ย เป็นไปทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจใจที่เราจะคิดไปเล่นไปทางใดได้เนี่ยมันจะต้องมีที่ตั้งที่ตั้งของจิตของใจที่จะทำให้ใจนั้นเล่นไปในทางที่มันจะดีซึ่งจะเป็นการควบคุมกายควบคุมวาจาให้เป็นไปในทางปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้พ้นจากความทุกข์ถึงสูขอันเกษมได้จิตใจที่ตั้งอยู่แบบนี้ได้ จะต้องเป็นจิตใจที่มีที่พึ่งดำบวงเป็นจิตใจที่มีที่ตั้งไว้อย่างดีกับว่าที่พึ่งที่ตั้งไว้ตรงนี้ก็หมายถึงการที่เรามีศรณทนั่นเองมีศรณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่เราถึงอย่างเวลาที่เราถ้าเจอปัญหาใดปัญหาหนึ่งในชีวิตหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทําอย่างไรจะไปทางไหนจะตัดสินใจอย่างไงจะไปเมื่อไร หรือว่าจะดําเนินการอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีคำตามอยู่ในใจในประฟังให้เราตั้งจิตไว้ให้ดีซะก่อนการที่เราจะตั้งจิตไว้ให้ดีได้ตรงนี้แหละคือที่ตั้งที่พึ่งที่ระลึกถึงเพราะวะ่าถ้าเราตั้งจิตไว้อยู่ในพุทโทธรรมโมสังโฆมีพุทธตธรรมะสังฆะเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงแล้วเราสามารถที่จะตัดสินใจทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเป็นไปในทางที่มันจะทุกน้อยลง มีความสุขมากขึ้นอันนี้ไม่ได้หมายความว่าการงานต่างๆมันอาจะสําเร็จผลหรือไม่สําเร็จผลอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยจิตใจขงเรามีทางไปที่ดีตะมุหวังมีทางไปที่ถูกต้องเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่มันจะเกษมได้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเปรียบเทียบไว้ตะมุหวังเปรียบเทียบไว้ระหว่างที่พึ่งที่ไม่เกษมกับที่พึ่งที่เกษมได้เคยตรัสคาถาที่เป็นคําร้อยกรอง เป็นคำกาบคำกรอนนี่แหละตัดเอาไว้เพื่อเป็นการบอกสอนคนในสมัยพุทธกาลจนกระทั่งสอนมาจนถึงสมัยนี้ด้วยละ่ะว่าที่ถ้าบอ ว, ว่าเขายังมีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นพึ่งภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าทะเลเนื้อพึ่งสิ่งเหล่านี้ไหว้วานอ้อนวอนคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่ได้ให้เราพึ่งได้อย่างเวลาน้าท่วมคุณก็อาจจะปีนขึ้ น, นต้นไม้ ถ้าน้ำมันท่วมสูงขึ้นต้นไม้ก็ไม่ได้ก็ต้องขึ้นภูเขานต่ขึ้นภูเขาถ้าแผ่นดินไหวภูเขาก็พึ่งไม่ได้อีกอย่งสิ่งเหล่นั้นจะไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษตไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วจะทาความเกษตไม่ได้พระพุทธาได้เคยตรัสเรื่องนี้เอาไว้ท่านผู้ฟังกับฤาษีกลุ่มหนึ่งซึ่งฤาษีกลุ่มนี้แก่อนที่เขาจะมาบวชเนี่ยหัวหน้าของกลุ่มฤาษีกลุ่มนี้ก็คือเป็นปุโรหิต ปุโรหิตในกมไรมันมที่ปรึกษาของพระเจ้าเปรตที่โกศลชื่อว่าอักขิทัตรเรื่องที่ข้าพระเจ้าจะนำมาให้ฟังนี้ก็มาอยู่ในนิทานธรรมบทเป็นเรื่องที่ประรบคาถาที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของที่พึ่งที่กเกษมและก็ที่ไม่กเกษมเรามาฟังนิทานธรรมบทในที่นี้กันเรื่องปุโรหิตชื่ออักขิทัต พราษสดาออกจากประวิหารเชตวันประทับนั่งบนกองทรายทรงปรารบปุโรหิตของพระเจ้าโกศลชื่ออักขีทัตแล้วตรัสพระธรรมเทศนานิว่าพระหุงเวสรนังยันติปพะตานิวนานิอารามรุกขเจตยานิ มนุสสาพยตัจิตาเนตังโขสารังเกมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสารณามาคัมมะสัพพะลุกขาบุพุตติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัป ปัญญายะปัสะตสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสะจะอติกะมังอริยันจัดทางขิกังมัคังทุกขูปะสมะขามิหนังเอตังโขสรหนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมากัมะมะสัพพทุกขาปมุจจะติ มนุษย์ทั้งหลายเป็ น, นมากถูกความกลัวกุกขามมาแล้วยอมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้า ง, ว, า ง, างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความกระเไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นนั้น เป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ ส, สี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกเห็นเหตุเป็นเรื่องให้เกิดขึ้นของทุกเห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกและเห็นมรร นันประกอบด้วยองแบบอันประเริซึ่งเป็นเรื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกข์นั่นแหละที่พึ่งอันกเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดทีอเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกท้งปวงได้แต่ดังได้สดับมาอักขิทัศนั้นเป็นปุโรหิต ของพระเจ้ามาหาโกศลครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรค์แล้วพระราชาทรงพระนามว่าประเสนที่โกศลได้ทรงดำริว่าผู้นี้เป็นปุโรหิตคือที่ปรึกษาแห่งประชนชนของเราพระองค์จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งนั้นนั่นแหละด้วยความเคารพในเวลาเขามาสู่ที่บ่มรงของพระราชา ก็ทรงทําการเสด็จลุกรับรับสั่งให้พระราชทานอาสนะเสมอกันด้วยพระราชดำรัสว่าอาจารย์เชิญนั่งบนอาสนะนี้อคิทัตนั้นคิดว่าพระราชานี้ทรงทําความเคารพในเราอย่างเหลือเกินแต่เราก็ไม่อาจจะเอาใจของพระราชาทั้งหลายได้ตลอดการเป็นนิดเดียวอนหนึ่ง พระราชาก็ายังยาววัยยังหนุ่มน้อยชื่อว่าความเป็นพระราชากับด้วยคนที่มีวัยเสมอกันนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดสุขส่วนเราเป็นคนแก่เราจะบวชเขาจึงกราบทูลให้พระราชาพระราชร า, านพระบรมราชาอนุ ญ, ญาตการบันประชาแล้วให้คนตีกลองเที่ยวไปในปนันตะกรแล้ว สละทรัพย์ของตนทั้งหมดในการให้ทานใหญ่ตลอดเจ็ดวันแล้วบวชเป็นนักบวชภายนอกาศาสนาบุรุมื่นหนึ่งก็ใส อ, อคีตัตนั้นบวชตามแล้วอคีขัตนั้นพร้อมด้วยนักบวชเหล่านั้นอยู่ในระหว่างแควนอังคะแควนมคตและแควนกุรุต่อกันให้โอวาสนี้ว่า ทั้งหลายบรรดาเธอทั้งหลายผู้ใดมีความคิดในทางกามเป็นต้นเกิดขึ้นผู้นั้นจงขนหม้อทรายหม้อหนึ่งหนึ่งจากแม่น้ามาเกลี่ยลงณนะที่นี้นักบวชเหล่านั้นรับคำว่าดีละในเวลามีความคิดในทางกามเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วก็ทำอย่างนั้นโดยสมัยอื่นอีก ได้มีกองทรายใหญ่แล้วนักราชชื่ออหิช ต, ตะได้ครอบครองกองทรายใหญ่นั้นชาวอังคะมกตและชาวแควนกุรุนํำเครื่องส ก, การะเป็นนั้นมากไปถวายทานแก่พวกนักบวชเหล่านั้นทุกๆุกเดือนครั้งนั้นอะคิทัตได้ให้โอวาท แกชดเหล่านั้นดังนี้ว่าพวกท่านจงถึงภูเขาเป็นสารณะจงถึงป่าเป็นสารณะจงถึงอารามเป็นสารณะจงถึงต้นไม้เป็นสารณะพวกท่านจะพ้นจากทุกทั้งสิ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล้วกล่าวสอนแม้ซึ่งอันเตวาสิกของตนด้วยโอวาสนี้เหมือนกันตอน พระมหาโมกขลานะไปทรมานอคิทัตฝายพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนสกรมทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิแล้วในสมัยนั้นทรงอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยู่ในพระเฉตตวันในเวลาจุนรุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอคิทัตรปราม พร้อมด้วยอันเตวาสิกเข้าไปภายในกายคือพระยาณของโปร่งแล้วทรงราบาจนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเป็นผู้ถึงพรามด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตในตอนเย็นตรัสกับพระมหาโมกลณะนะเทราว่าโมกลณนะเธอเห็นอคิตัศปรามผู้ยังมหาชน ให้เล่นไปโดยทางไม่ใช่ท่าไหมเธอจงไปให้โอวาทแกมหาชนเหล่านั้นแค่แต่พระองค์ผู้เจริญชนเหล่านั้นมีมากข้าพระองค์ผู้เดียวพึงค่มขี่ไม่ได้ถ้าแม้พระองค์จะเสด็จมาใช้ชนเหล่านั้นจะเป็นนันพึ่งคมขี่ได้ประเจ้าข้ากมคละนะแม้เราก็จะมาเธอจงล่วงหน้าไปก่อน พระเถระกำลังเดินไปเดียวปลางคิดว่าชนเหล่านั้นมีกำลังทั้งมีมากถ้าเราจะพูดอะไรอะไรในที่ประชุมของชนทั้งปวงใซ้ชนแม้ทั้งหมดพึงลุกขึ้นโดยความเป็นพวกๆแต่นี้แล้วท่านพระมหาโมคลานะจึงยังฝนมีเม็ดหยาบให้ตกลงแล้ว ด้วยอนุภาพของตนจนเหล่านั้นเมื่อฝนมีเม็ดหยาบตกอยู่ต่างก็ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วเข้าไปยังบรรณศาลาของตนของตนพระเตระยืนอยู่ที่ประตูบรรณศาลาของอากิทัตกล่าวว่าอากิทัตเขาได้ยินเสียงของพระเตระแล้วกล่าวว่า นั่นเป็นใครเพราะความเป็นผู้กระด้างพระมานะว่าในโลกนี้ใครๆชื่อว่าผู้สามารถเรียกเราโดยออกชื่อไม่มีใครเนาเรียกเราโดยออกชื่อพระเตระข้าพระเจ้าเองพราหมณ์อากิตัตท่านพูดอะไรนะพระเตระขอท่านจงบอกสถานที่พักอยู่ในที่นี้แก่ข้าพระเจ้า สักคืนหนึ่งในวันนี้สถานที่พักอยู่ในที่นี้ไม่มีบันไดศาลาหลังหนึ่งก็สําหรับคนหนึ่งเท่านั้นหกิทัสธรรมดาพวกมนุษย์ย่อมไปสู่สำนักของพวกมนุษย์พวกโคก็ไปสู่สำนักของพวกโคพวกบประชิตก็ไปสู่สำนักของพวกบประชิตท่านอย่าทำอย่างนั้นขอจงให้ที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้า ก็ท่านเป็นบรรพชิตดอหรือเออข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตก็ถ้าท่านเป็นบรรพชิตใช้สิ่งของคือสาแรกบริการแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ที่ไหนพราหม์บริการของข้าพเจ้ามีอยู่ก็ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าก็การถือบริการนั้นแยกต่างหากเที่ยวไปลําบากดังนี้แล้วจึงถือบริการนั้น ไว้โดยภายในนั่นแลเที่ยวไปพรามนั้นโกรธพระเถระว่าท่านจะถือบริการนั้นเที่ยวไปหรือลำดับนั้นพระเถระจึงพูดกับเาว่าอากิทัตจงหลีกไปท่านอย่ากโกรธข้าพเจ้าจงบอกสถานที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้าเถิดสถานที่พักอยู่ในที่นี้ไม่มีก็แล้วใครอยู่บนกองทรายนั่น นักราชตัวหนึ่งท่านจงให้ที่นั่นแกข่ข้าพระเจ้าเถิดข้าพระเจ้าไม่อาจให้ได้คำของนาคราชนั้นร้ายกาจยิ่งนักช่างเถอะขอท่านจงให้เราเถิดถ้าเช่นนั้นท่านจงรู้เองเถิดตอนพระเถระผจนกับนากราชพระเถระปินหน้าตรงกองทรายไปแล้ว นาคราชเห็นพระเทระนั้นมาจึงดำริว่าพระสมณะนี้มาข้างนี้เห็นจะไม่ทราบความที่เรามีอยู่เราจะบังหวนกั่นให้สมณะนั้นตายนาคราชนั้นจึงบังหวนกั่นขึ้นแล้วพระเทระกิดว่านาคราชนี้เห็นจะเข้าใจว่าตัวเองเท่านั้นอาจบังหวนกั่ได้พวกอื่นย่อมไม่อาจ ดัง น, นี้แล้วพระเทระก็บังหวนควันแม้เองด้วยควันทั้งหลายพุ่งออกจากสรีระแห่งหนาคราชและพระเทระแม้ทั้งสองฝ่ายตั้งขึ้นจนถึงบรมโลกควันทั้งสองฝ่ายไม่เบียดเบียนพระเถระเบียดเบียนแต่นาคราชฝ่ายเดียวนากราชไม่อาจทนกําลังแห่งควันได้จึงให้ลุกโผล่เป็นไฟ คือพ้นไฟฝ่ายพระเตระก็เข้าสมาบัติมีเตโชธาตเป็นอารมณ์แล้วให้ลุกโผรงคือพ้นไฟพร้อมกับนาคราชนั้นเหมือนกันเปลวไฟพุ่งขึ้นไปจนถึงปรมโลกเปลวไฟแม้ทั้งสองฝ่ายไม่เบียดเบียนพระเทระเบียดเบียนแต่นาคราชฝ่ายเดียวตอน นากราชแพรพระเทระลําดับนั้นสรีระทั้งสิ้นของนากราชนั้นได้เป็นราวกับว่าถูกคบเลงทั้งหลายหล่นทั่วแล้วมูฤษีเหล่านั้นแลดูแล้วคิดว่านากราชเผาสมณะสมณะคนดีหนอไม่เชื่อฟังคําของพวกเราจึงชิบหายแล้วพระเทระทรมานนากราช ทำไห่หมดประโยชน์แล้วจึงนั่งบนกองทรายนากราชเอากนดรวบกองทรายแผ่พังพานประมาณเท่าห้องโถงแห่งเรือนยอดกั้นอยู่แล้วเบื้องบนแห่งพระเถระมูรษีไปยังสำนักของพระเถระแต่เช้าตรู่โดยคิดว่าผู้เราจะรู้ความที่สมนันั้นตายแล้ว หรื อ, อย่างไม่ตายหมู่ฤาษีนั้นเห็นท่านนั่งอยู่บนยอดกองทรายแล้วประคองอัญชลีชมเชย อ, อยู่กล่าวว่าสมณะนาคราชไม่เบียดเบียนท่านห ร, อหรือพระเตระก็ท่านทั้งหลายไม่เห็นหนาคราชแผ่พังพานดำรงอยู่เบื้องบนแห่งเราอย่างนั้นหรือฤาษีเหล่านั้นจึงพูดกันว่า น่าสะใจหนาท่านผู้เจริญอนุภาพแห่งสมณะที่เห็นป่านนี้พระสมณะนี้ทรมานหน่กกราดาได้แล้วขอเหล่านั้นจึงได้ยืนลอมพระเถระอยู่แล้วในขณะนั้นพระศาสดาเสด็จมาแล้วพระเถระเห็นพระศาสดาแล้วจึงลุกขึ้นถวายบังคมลําดับนั้นฤาษีทั้งหลาย จึงพูดกับพระเถระนั้นว่าสมณะผู้นี้เป็นใหญ่แม้กว่าท่านอย่างนั้นหรือพระเถระพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเป็นพระศาสดาข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ตอนพวกฤาษีชมเฉยพระศาสดาพระศาสดาประทับนั่งบนยอดกองสายแล้ว มูฤีสีประกองอัญชลีชมเชอยพระศาสดาว่าอนุภาพของสาวกอย่างถึงเพียงนี้ส่วนอนุภาพของศาสดานี้จะเป็นเช่นไรพระศาสดาจึงตรัสเรียงอากิทัตมาแล้วตามว่าอากิทัตท่านเมื่อให้โอวาทแก่สาวกและอุปถากทั้งหลายของท่านย่อมให้โอวาทว่าอย่างไร อากิตตข้าพระองค์ให้โอวาทแก่สาวกและอุปทาคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงถึงภูเขานั่นว่าเป็นที่พึ่งจงถึงป่าอารามจงถึงต้นไม้ว่าเป็นที่พึ่ ง, ง, ง, าาา ง, ง, งโดยว่าบุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นนั้นว่าเป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ ตอนสาะรณะที่กเกษมและไม่กเกษมพระศาสดาตรัสว่าอักิทัตบุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นนั้นว่าเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกได้เลยส่วนบุคคลที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกในวัฏะได้ทั้งสิน้น ดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธ์พระคถาเหล่านี้ว่าพระหุงเวสารนังยันติปพะตานิวณานิอารามะรุกะเจยานิมนุษย์สาพยาัจิตาเนตังโขสารนังเกมังเนตังสารณะมุตตมัง เนตังสารณมาคัมะสัพพทุกขาปรมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญาะปัสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสะจะอติกมังอริยันจั ถังขิกังมักคังทุกขูปะสะมะขามิหนังเอตังโขสารนังเกมังเอตังสรณะมุตตมังเอตังสารณะมากัมมะสภะดุกขาปะมุจติแปลว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็ น, นมากทีกความกลัวคู่ขามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง สวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทําความเกษมไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงประพุทธ พระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกเห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกเห็นความก้าวล่วงเสียดายสิ่งทุกและเห็นมรรคอันประกอบด้วยองค์แอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระ ง, งับแห่งทุกนั่นแหละ คือที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดที่เอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุก์ทั้งปวงได้แท้ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผหุงได้แก่ผหูแปลว่ามากคำว่าปะป้าตานิแปลว่าภกเขาเป็นต้นความว่า มนุษย์เหล่านั้นเหล่านั้นอันภัยนั้นๆคุกขามแล้วอยากพ้นจากภัยหรือปรารถนาลาบทั้งหลายมีการได้บุตรเป็นต้นย่อมถึงภูเขามีภูเขาอิสิกิลิเวปุละและเวภาระเป็นต้นป่าทั้งหลายมีป่ามหาวันป่าโกสิงสารวันเป็นต้นอารามทั้งหลาย มีเวรุวันและชีวกรรมพวันเป็นต้นและรุกเจดีทั้งหลายมีอุเทนเจดีและโคตมะเจดีเป็นต้นในที่นั้นนั้นว่าเป็นตีบึงคำว่าเนตังสัตนังคือสัตนะนั่นไม่ความบาก็สัตตนะแม้ทั้งหมดนั่นไม่กเกษมไม่อุดม ด้วยว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดาแม้ผู้หนึ่งอาศัยสรณะนั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์้องปวงมีความเกิดเป็นต้นได้คำว่าโยจะคือส่วนบุคคลใดเป็นต้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสรตว์นันไม่กเกษมไม่อุดมแล้ว ปรารบไว้เพื่อจะทรงแสดงสรัทอันกเกษมอันอุดมเนื้อความแห่งคำว่าโยจะเป็นต้นนั้นดังต่อไปนี้ชวนบุคคลใดเป็นกครือข่ก็ตามเป็นบัพชิก็ตามอาศัยกรรมฐานคือการตามประลึกถึงประพุทธประธรรมประสง์เป็นต้นว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระงนั้นเป็นพระอรหันต์ตะสมมาสมุทธเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งด้วยสามารถแห่งความเป็นวัตถุอันประเสริฐการถึงสรณะนะนั้นของบุคคลแม้นั้นยังกำเริบยังหวั่นไหวด้วยกิจทั้งหลายมีการไหวอัญญาตเดรติเป็นต้น แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงความที่การถึงสรณะนั้นไม่หวั่นไหวจึงทรงประกาศสารณะอันมาแล้วโดยมักนั่นแหลจึงตรัสว่าย่อมเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชอบด้วยว่าบุคคลใดถึงรัตนะทั้งหลายมีพุทธรัตนะเป็นต้นนั่นว่าเป็นที่พึ่ง ด้วยสามารถแห่งการเห็นสัจจะเหล่านั้นสารณะนั้นของบุคคล น, นั้นกเกษมและอุดมบุคคล น, นั้นอาศัยสารณะนั้นย่อมพ้นจากทุกในวัฏฏะแม้ทั้งสิ้นได้เปรเหนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเอตังโขสารณะเกเมังสารณะนั่นแลของบุคคล น, นั้นกเกษม ในการจบเทสนาหรือสีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดบรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วถวายบังคมพระศาสดาทูลขอบรรปชาแล้วพระศาสดาทรงเย็ดประหัตออกจากกลีบจีวรแล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติปรมจั๋์ตอน ชาวเมืองเข้าใจว่าอากิทั์ใหญ่กว่าพระสัสดาก็ในขณะนั้นเองฤาษีเหล่านั้นได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริการแปดดุจพระเถระมีพรรษาตั้งร้อยก็วันนั้นได้เป็นวันที่ชาวแคว้นอังคะแคว้นมัคตและแคว้นกุรุแม้ทั้งปวงถือเครื่องสการะมา ส่วนเหล่านั้นถือเรื่องสการะมาแล้วเห็นฤาษีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดบวชแล้วคิดว่าอคิทัตปรามของพวกเราเป็นใหญ่หรือพระสมณโคดมเป็นใหญ่น้อแลได้สําคัญว่าอคิทัตเป็นใหญ่กว่าแน่เพราะเหตุที่พระสมณโคดมมหาพระศาสดาทรงตรวจ ด, ดูอัตยาัยของส่วนเหล่านั้นแล้ว ว่าอกากิทัตเธอจงตัดความสงสัยของบริษัทเหล่านี้พระอากิทัตนั้นจึงกราบตูลว่าแม้ข้าพระองค์ก็หวังเหตุมีประมาณเพียงนั้นเหมือนกันพระชก้าดังนี้แล้วเขาจึงเหาะขึ้นไปสู่เวหาด้วยกำลังริสแล้วลงมาตบายบังคมพระศาสดาบ่อยๆถึงเจ็ดกลางแล้ว ลประกาศความที่ตนเป็นสาวกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกดังนี้แหลเรื่องปุโรหิตชื่ออคกิทัตจบในเรื่องของที่พึ่งเนี่ยทัมบฟังที่ว่ามีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยประเด็นคือตรงนี้ว่าจะต้องเห็นอริยสัจสี่ด้วย น, นการที่เราจะเห็นอริยสัจสีนั้นก็หมายความว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญา น, นเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นทางที่จะทําให้เราเข้าใจเรื่องอริยสัจสีให้ได้แต่เราปฏิบัติตามเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแน่นอนบางทีในชีวิตเราอาจจะเจอสิ่งที่เป็นความสุขบ้างเจอสิ่งที่เป็นความทุกข์บ้างและ น, นี้มันธรรมดาของมนุษย์โลกนะในโลกของเราใบนี้สุขก็มีทุกข์ก็มี ทีนี้ในขณะที่เราเจอความสุขถ้าเราม <ท este S 1> ีความ <kolay pause S 1> ดําเบิตไปในทางกรมรมอันนี้แสดงว่าเรามีมิจฉาสังกปะแล้วออกนอกมักแล้วมีความสุขก็ออกนอกมักได้อันนี้ต้องระวังหรือถ้ามีความทุกข์แม้จะมีความกินทางพยาบาทไม่พอใจอันนี้ก็ชื่อว่าออกนอกมักละออกนอกสัมมาสังกปะเป็นความดําเบลิตไม่ชอบเป็นความดําเบิตไม่ดีสุขก็ดําเบลิตไม่ดีได้ทุกข์ก็ดําเบิตไม่ดีได้ เราจึงต้องระวังตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรียนที่ว่าเราจะเจอความสุขหรือเจอความทุกข์สุขทุกข์เป็นของอยู่คู่กับโลกสุขทุกข์เป็นของที่เกิดขึ้นกับทุกคนสุขทุกข์เป็นของที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั้นถ้าเราอยู่ในโลกนี้เราต้องเจอแน่นอนเราจะพ้นจากความสุขพ้นจากความทุกข์ได้เราปฏิบัติตามปริญญ า, ม, ามีองแปดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปฏิบัติตามมรรคแปดแต่บุญวังถ้าเรามีความดํำริในการที่ไม่กําหนัดเกลื่กลั่วไปในสิ่งที่น่าลุ่มหลงปอใจเรามีดํำริ ในลักษณะที่ไม่ขยหักแย้งเกลียชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่ว่าเราตั้งไว้ในศีลตั้งไว้ในสมาธิมีปัญญาคอยให้เห็นเรื่องสลัดออกเนี่ยเราจะเหนือสิ่งที่เป็นทั้งสุขเป็นทั้งตกนั่นได้ตัวนี้เราจึงเป็นเรื่องที่สําคัญว่าเอ้เราจะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาได้อย่างไรคนที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าคนที่ระลึกถึงพระธรรมคนที่ระลึกถึงหมู่ผู้ฟังคําสอนที่เขาปฏิบัติอย่างดีๆเนี่ยเขาสามารถที่จะ ทำจิตทำใจให้อยู่ในแนวต่างได้แต่ตอนนี้ก็อาศัยการฝึกฝนนะเพื่อฟังแต่บางทีเราก็เป๊ะๆออกนอกทางบ้างแต่ไปออกนอกทางบางทีอาจจะเดินช้าไปบ้างอะไรไปบ้างเราก็ค่อยๆปรับแต่บางทีมันไปโฉบจอดอยู่ข้างทางนาน เ, าเราก็เร่งความเร็วขึ้นก็หน่อยแต่บางทีมันออกไปอีกข้างหนึง่งแล้วก็ตบๆมันเข้ามาก็ค่อยๆปรับค่อยๆทําไปนะเพื่อนฟังในอย่างาคิจัศนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นโปรหิตตอนแรกก็ยังไม่รู้อะไระอะไรผิดอะไรถูก พอได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็รู้ถูกรู้ผิดขึ้นมาแต่เราเองก็เหมือนกันบางทีเราก็ลุ่มหลงไปตามกิเลสตนะอาวิชาเราพอทราบเรื่องที่ดีที่งามเราก็ค่อยฝึกค่อยตามเมาแล้วฝึกอยู่ที่บ้านก็ได้หรือจะมาวัดฝึกก็ได้แต่ระมูวังสนใจในการที่จะเรียนและปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้ที่วัดป่าดนไอโศกที่เว็บไซต์ wpdhj.org หรวก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะนำเรื่องของศีลสมาธิปัญญามาใช้ในชีวิตประจาวันหรือในแง่มุมของการปฏิบัติอย่างไรอย่างไรเนี่ยก็สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยเขียนส่งเป็นจดหมายหรือไ ป, ปรษณียบัตรส่งมาที่เลขที่ 1.8 หมู่ตำบลดอนไหสกออำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็4ี่หหานรือว่าถ้าไปที่เว็บไซต์เพียวธร .com ที่ น, นันตบุฟังก ah. okay. ็จะได้ฟังย้อนหลังเรื่องราวต่างๆและได้มีบทความหรือว่าสามารถที่จะส่งข้อความติดต่อกับข้ารเช้าได้ PURE.DHA.MMA. com mm. ข้ารเช้าพระมหาภัยบูญอภิปุโนจิลปอน